เดินมาตั้งแต่วันแรกนะคือจับผู้หลงถ้าเดินมาตลอดเนะี่ยจนถึงที่นี่ถ้าเรานับเก้านะมันก็ประมาณแปดหมื่นเก้าหมนเก้าแล้วนะไม่ใช่น้อยเลยนะหลายคนกว่าจะเก้าเป็นเก้าแรกนี่ก็ใช้เวลานานดังเลสงสัยไม่แน่ใจว่า จะมาดีไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่พอเราเริ่มเดินก็เหมือนกับว่ากระสายคลื่นเนี่ยมันก็พัดพาเรามาทีละน้อยทีละน้อยกระสายคลื่นนี่ก็คือขบวนนะของหมูมิดที่ค่อยนะขับเคลื่อนเราให้ก้าวอย่างต่อเนื่อง ในบางช่วงเราจะล้าจะเหนื่อยหรือว่าก้าวไม่ออกนะแต่ว่ากระบวนเพื่อนๆนะทั้งที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังก็ทําให้เราก้าวเดินออกมาอย่างต่อเนื่องข้างหน้าก็ดึงเราให้เดินข้างหลังก็ดันเราให้ก้าวนะถ้าเดินคนเดียวนะก็คงจะขาดทั้งแรงดึง แล้วก็แรงดันแต่พอเรามาร่วมเดินกันกันมากๆเนี่ยีจริงไม่ต้องมาเป็นร้อยหรอกนะยี่สิบสามสิบคนหรือสี่ห้าคนเนี่ยข้างหน้าก็ดึงเราให้ก้าวออกมาข้างหลังก็ดันเรานะเพราะว่าเราต้องก้าวไปพร้อมๆกันถ้าเอ ป, ปุ๊บเดียวนะเดินมาเกือบแสนก้าวแล้วงั้นอีกแสนหนึ่งข้างหน้าเนี่ย มันก็จะไม่ใช่เรื่องยากเส้นทางที่เราเดินวันนี้เนะี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางเก่าที่ชาวบ้านเขาใช้กันก่อนที่จะมีการสร้างถนนหลายเส้นที่เราเห็นอยู่ระหว่างทางอย่างเส้นตอนที่เราออกเดินจากบ้านกุญ ง, งเราก็ไม่ได้เดินทางถนนใหญ่นะ เราก็เดินทางถนนที่ชาวบ้านก็ใช้เดินกันข้ามสะพานหลายคนก็ได้เห็นลาปะท้าแวแล้วละ เ, ออเราก็เดินตัดผ่านหมู่บ้านอันนั้นหมู่บ้านใหม่นะบ้านใหม่ไชรเจริญก่อนที่จะมาถึงวัดป่าสุปโตเราไม่ได้แวะพัะพกนะวัดป่าสุปโตเพราะว่าหลายคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วก็เดินเรียบกำแพงวัดป่าสุปโต แล้วก็ข้ามสะพานแขวนอาตรงไปบ้านท่ามไฟนั่นคือเส้นทางเก่านะที่ชาวบ้านก็ใช้ก่อนที่จะมีถนนตัดจากเส้นใหม่จากท่มะไฟมาถึงหน้ า, าวัดป่าสุปโะต้หลวงพ่ออมคิดเล่าว่าสมัยที่ท่านเดินจากวัดป่าสุปโตไปวัดภูเขาทองตอนเช้าเช้าหรือว่าเดินจาก วัดปุกทองมาวัดป่าสุกโตเมื่อสักประมาณเกือบสี่สิบปีที่แล้วท่านบอกว่าแ้าไม่เจอแดดเลยแสดงว่าต้นไม้นี่ทึบมากต้นไม้ที่สูงใหญ่ทึบจนกระทั่งแ้าไม่มีแดดที่จะลอดทะลุผ่านใบไม้หรือเลือนยอดมันตกพื้นได้ เราคงนึกภาพออกนะว่าการเดินบนบนทางเส้นนั้นเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยมันค ง, ร, งร่องรื่นนะนะแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวเหมือนก็ว่าอยู่คนละที่หรือว่าอยู่คนละมุมโลกกันเลยแล้วก็จากป่าขนุนนะเราก็เดินเลียบหน้าผาอันนี้ก็เป็นเส้นทางเก่าสมัยก่อนไม่มีถนนที่ตัดจาก แก้งเคราะห์ขึ้นมาบนหลังเขาชาวบ้านก็ต้องใช้วิธีปีนขึ้นเขาก็ใช้เส้นทางบริเวณนั้นแหละนะมันจะมีจุดที่เดินลงเขาสมัยทีาามมา่จามาปีสองสามก็ปีนเขาขึ้นมาเพราะนั้นมา มาทำมาเยี่ยมศูนย์เด็กของหลวงพ่อพอจะมาทำโครงการเกี่ยวกับช่วยเด็กผู้อุู่โหยเด็กขาดอาหารปีสอง2นยสิบสองเป็นปีเด็กสากลเป็นปีที่สัประชาชาติรณรงค์เรื่องการช่วยเหลือเด็กเพราะเด็กเนี่ยถูกทอดทิ้งมากทั้งในด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจเด็กที่มีปัญหาขาดอาหาร ในเมืองไทยตอนนั้นก็เยอะตายไปประมาณห้าหมืนคนก็ขาดอาหารนะทั้งที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นเมืองที่ส่งออกข้าวอันนี้เป็นข้อมูลประมาณปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็ปีสองสองก็เลยมีการขาดรับกระแสโลรนรงทั่วโลกตั้มาก็ตอนนั้นทําอยู่กลุ่มประสานงานสาธารณสังคมก็มีโครงการที่ทำโรค ก, กับมุนนที่เด็กนช่วยเหลือเด็ก ขาดอาหารหลวพ่อมเขียนท่านสร้างศูนย์เด็กตอนนั้นท่าไม่รู้หว่ามันเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชายภูมิท่านก็ไม่ได้เรีย้ยวศูนย์เด็กด้วยท่านก็อยากจะเอาเด็กอที่พ่อแม่พาจากบ้านไปทําไร่สมัยก่อนเด็กไม่ต้องตามพ่อแม่ไปทําไร่ทํานานนะเพราะว่ามี ปูมีย่ามีตามียายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตายายคอยดูแลเพราะสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสังคมขยายครอบครัวขยายมีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันพ่อแม่ที่ยังหนุ่มยังสาวก็ไปทํานาลูกเล็กเด็กแดงก็ตายายเลี้ยงแต่ว่าครอบครัวที่ขึ้นมาบนหลังเขาหลายครอบครัวก็มีแต่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกน้อย เพราะฉะนั้นเวลาไปทำไร่ก็ต้องขนเอาลูกไปด้วยพอลูกเข้าไปในไร่นะบางทีก็เจอแดดป่วยเป็นไข้หรือบางทีก็ไม่สบายมาเราียแต่มาเรียที่นั่นตอนนั้นก็มีน้อยนะแต่ตอน ม, มาอยู่บป่าสุบรโ ต, โตก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องไข้มาเราียแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยเด็ก เจอแดกหรือว่าไม่รับการดูแลที่ดีพอเพราะว่าพ่อต้องพ่อแม่ทำไร่หลวงพ่อท่านก็เลยสงสารเพราะมีเด็กบางคนก็ตายสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นไข้ก็ถึงตายนะเพราะว่าอนามัยไม่มีเรือว่าแต่เด็กเลยปีสองสามเนี่ยตมาขึ้นมาทำปาป่าข้าวเพื่อหาเงินสนับสนุนสาก่อนค่าของหลวงพ่อ นอกเหนือจากศูนย์เด็ดก็มีชาวบ้านคนหนึ่งแกถูกลูกปืนนะที่ขานะไม่รอบปืนลั่นเองหรือว่าโดนยิงแถวๆเนี่ยแถวๆบ้านใหม่นี่แหละเพื่อมาเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ดูอาการแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรมากก็ให้พาไปส่งโรงพยาบาลที่ชัยภูมิมันมีถนนนะถนน ไปถึงชัยภูมิได้ผ่านตัดโตรถ่ายางมัมมเส้นทางที่เราจะผ่านนี่มันเป็นเส้นทางชักลากไม้มารู้ข่าวในวันรุ่งขึ้นว่าผู้ชายคนนั้นตายตายเพราะอะไรเพราะเสียเลือดมากมันน่าเศร้านะแพลไม่ได้ชักกันอะไรเลยนะเพื่ออธตมาซื้อเป็นนักสษ า, าก็เลยไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะก็ไปให้หมอเขาเย็บซะหรือว่าเอาลูกกระสุนออกตกว่าตายเพราะ เลื่อนออกมากขาดเลือด น, นี่คือสภาพนะของอหลังเขาเมื่อเกือบสีสิบปีที่แล้วนันเด็กเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็เลยเอามาเอามาดูแลเอามาดูแลแทนพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ให้เด็กพักผ่อนนอนแล้วก็มีนมถั่วเหลืองเลี้ยงมีขนมมีข้าวบ้าง แล้วท่านก็สอนบ้างเพราะเด็กก็พอมีความเด็กพอที่จะเรียนรู้ได้นั่นก็คือปีประมาณสองหนึ่งนะพอ ป, ปีสองสามต่อมาได้ข่าวก็เลยขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนศูนย์เด็กแล้วตอนหลังเห็นได้ทราบว่าหลวงพ่อท่านตั้งสากรข้าวพู้ง่ายคือเป็นร้านค้าเอาข้าวราคามาขายานในราคาถูกแก่ชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย ต้องขนข้าวขึ้นมาข้าวบนขังบนบนเขาก็เลยมีราคาแพงราคาแพงคนยากจนก็ซื้อไม่ได้ท่านก็เลยอยากช่วยชาวบ้านก็เลยเอาทำสากลข้าวขนข้าวมาเป็นที่เรากระสอบเลยก็สอ บ, สอบด้วยรถสิบล้อหรือรถพลิกอัพจากชายภูมิไม่สามารถจะขนขึ้นมาจะแก้อยไนดะ้เพราะถนนยังไม่มีอันนี้ก็ ก็เลยเป็นเหตุให้ได้มาอารู้จักกับหลวงพ่อแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยตามมาทําให้สามปีต่อมาเมื่อจะบวชนะเมื่อตัดสินใจจะบวชก็เลยนึกถึงหลวงพ่อแลมีคนแนะนํามีเพื่อนแนะนําว่าหลวงพ่อจะเป็นอาจารย์กรรมฐานนะอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้ว น, นึกว่าหลวงพ่อจะเป็นพระที่สมัยนี้เรียกพระนักพัฒนาที่ชอบอยู่ป่า ก็เลยมาปวดกับท่านเส้นทางที่เราผ่านมาเนี่ยนะก็มันก็เป็นเส้นทางที่เืิดให้เราเราเรึถึงเหตุการณ์ในดีได้ว่าบ้านเมืองก็มีความเปลี่ยนแปลงมากไปในด้านดีแล้วไปในด้านไม่ดีในด้านดีคือว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นนะมีน้ำมีไฟ มีโรงพยาบาลแต่ว่าีด้านหนึน่งที่มันไม่น่าจะเกิดควบคู่กันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะก็คือว่าป่าก็ถูกทําลายกนะันจนกทั่งไม่ว่าเดินไปที่ไหนที่ไหนนะได้จะเป็นเส้นทางเก่าเส้นทางดังเดิน ก, ก็ก็หาต้นไม้ได้ยากยกเว้นบางช่วงที่ในการพัฒนามันก็ไม่จำเป็นต้องควบคู่ไปกับการ ทำลายสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศเนี่ยเขามีการพัฒนาไปไกลกว่า บ, บ้านเราเยอะนะแต่ว่าธรรมชาติก็ไม่ได้ถูกทำลายไปอย่างมากมายเพราะมก็มีเหมือนกันนะเขาก็เคยผ่านการผ่านจุดนี้มาก่อนมีการทำลายธรรมชาติแต่ตอหลังก็พยายามฟื้นฟูนขึ้นมารึพยายามรักษาที่ลงเรืออยูนะ่เมืองใหญ่ๆหลายเมืองนะ ผมได้ที่ลำรวยแล้วอย่เช่นญี่ปุ่นโตเกียวเกียวโตวลอนดอนนิวยอร์กเป็นต้นเนี่ยพวกนี้จะมีป่าป่าพื้นใหญ่ยอยู่กลางเมืองเลยไม่นับสวนนะอย่างในนิวยอร์กก็มีเซ็นทรัลพลาอันนี้เป็นสวนไม่ใช่ป่านะแต่ว่าในส่วนที่อยู่รอบๆนอกนี่ก็เป็นป่ามีกวางด้วย อยู่ยอดก็เอ่ออนดอนก็นเหมือนกันบางทีก็ก็มีประกาศให้คนเมืองได้ระมัดระวังว่าบางทีอาจจะมีหมีมาคุยเคียหาขยะอาจจะมีจิ้งจอกนะมาหาอาหารหรือหลงเข้ามาสลายตมาอยู่ที่วัดอมรวดีเมื่อปีสามสี่เนี่ยวัดอมรวดีก็เป็นวัดของ สายหลวงพรอชาหลวงพ่ซูเ ม, มโท่านีน่เริ่มบุกเบิกขึ้นภาพฝรั่งส่วนใหญ่แต่ว่าก็ไม่ทิ้งการบินธบาติทุกชาเน่ยนะถ้าเราก็จะบินธบาดบินธบาติไปยังเมืองที่อยู่ ใ, ใกล้ๆนะเรียกเมืองเบอร์แฮมสเตนก็ยังเดินผ่านป่านะเดินผ่านป่าก็บางทีก็เจอกวางเบอร์แฮมสเต น, ะนมันก็ แต่ว่าไปก็เรียกวเป็นเมืองเมืองนอนนะ น, นะคือมันไม่ได้อยู่ห่างไกลวอลตอนเท่าไหร่อาจจะเรียกแาวปทุมก็แล้วกันแาวปทุมแต่ว่าก็ยังมีเอ่อป่าอามีป่ามีกวางเนี่ยให้เราเห็นได้ก็เป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่งนะของการเดินบินทรรมชาติถ้าอยทอากาศหนาวมากโดยเพาะในช่วงไ ป, ไปปลายปี อาตมาอยู่ถึแค่ปลายปีนะต้นปีก็กลับเมืองไทยแนละ้วเดี๋ยวนี้ในเกาหลีเนี่ยนะแม่น้ําที่มันเคยกลายเป็นแม่น้ําเป็นทางระบายน้ำํำมันเคยมีแม่น้ําคล้ายๆอาจจะเล็กกว่าเจ้าพยายนหน่อยนะถ้าพูดอย่างเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนคลองนะคลองกลางเมืองซึ่งมันเคยใสตอนหลังเกาหลีก็มีการพัฒนา เมืองโซนะจนกระทั่งไอ้คลองเนะี่ยมันก็เริ่มเน่าเริ่มเสียแล้วกลายเป็นทางมันก็ทางระบายน้ําเสียเรานึกภาพคลองแสนแสบนะมันดำนี่ยิงตอนหลังนี่มีการสร้างถนนเรียกว่าคล่อมครอมคลองเลยแต่ตารางพอเขาจเจริญ ม, มากขึ้นนะเราต้องไม่ลืมว่เกาหลีเนี่ย เมื่อทั้ง50ปีกว่าก็ยากจนมากเนละยยากจนกับเมืองไทยอีพกพอก็ผ่านสงครามสงครามเกาหลีเกาหลีใต้นี่ยากจนมากนะยากจนอย่างที่เราลืมไม่ถึงเลยว่าโอ้นี่คือ50ปีของเกาหลีแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขารวยนะเขาเจริญมากกว่าไทยเยอะแต่ตอนที่เขาพัฒนาเนี่ยอย่างมากเมื่อทั้30ปีที่แล้วนี่เขาก็พัฒนาเรื่องครองเนี่ยมันเน่าเสียเขก็ สร้างถนนคล่อมเพราะที่ทางมันหายยากแต่ตอนนี้พอเขาพัฒนามากเขารู้สึกว่าอยากจะได้คลองกับคืนมาคลองใสเ้าก็ทำสำเร็จนะทั้งที่หลายคนบอกโอ้มนจะบ้าเลยนะถนนเนี่ยมันสร้างคล่อมคลองแล้วถนนยาวด้วยเอาถนนลื้อถนนออกนะไอ้แค่ลื้อถนนนี่รถก็ติดอยู่แล้วนะยิ่งไม่มีถนนด้วยนี่มันจะติดขนาดไหนเพราะถนนมันหายไป เลนสองเลนเลยนะแล้วก็ไม่มีการสร้างทางด่วนคล่อมด้วยแต่ว่าเขาทํามํำสำเร็จนะผู้ว่าการผู้ว่าการอ่นายกเาเรียกว่าอะไรผู้ว่าการกทมเนี่ยคล้ายๆเป็นผู้ราชการของกรุงโซเนี่เขาก็หาเสียงว่าเขาจะเอาเอาแม่น้ำเนี่ยเอาํำคลองใส่กลับคืนมาคนก็ ชอบนะมันโดนใจคนกรุงโซงแล้วเขาก็เลยเลือกพอเลือกแล้วเขาก็ทำตามสัญญาโดยเฉพงบประมาณเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายแถมยังต้องมีการวางแผนสุดท้ายก็ได้คลองกลับมาหรือถนนทิ้งหมดเลยแล้วก็ทําให้คลองนะั้นเป็นที่ที่ผู้คนได้พักผ่อนนะมันมีบางจุดก็เดินข้ามคลองได้ มันเป็นทัพย์สินภาพที่สวยงามที่พูดเนี่ยดูจากภาพนะไม่ได้เห็นหรอกพูดเป็นตัวเป็นตานะไม่ได้เห็นเองแต่ว่าไอ้ไอ้ป่าที่พูดเนี่ยนนในเมืองหลวงอย่างโตเกียวเกียวโตหรือว่าลอนดอนนิวยอร์กยี่เคยเห็นนะแต่โซนี่ไปครั้งสุดท้ายก็เมื่อยี่สิบปีที่แล้วสมัยที่เขา ย, ยังไม่ได้ไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าเป็นที่ ยกย่องนะเหมือนทุกวันนี้ถ้าเราเดินธรรมยรานี่ก็ก็มานั่งระหว่างที่เราเดินก็ลองพิพจารณาไปด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันกลับคืนมาได้ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะการที่เราได้มาเห็นสภาพของจริงเนี่ยนะ ในด้านหนึ่งมันก็ทำให้ในด้านหนึ่งมันก็ลำบากนะเดินมาวันนี้เนี่ยก็เสียเหงื่อไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ลำบากแต่ว่ามันก็ได้ทำให้เราได้เห็นนะว่าเมื่อธรรมชาติแปรเปลี่ยนไปอะไรจะเกิดขึ้นเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะไม่สึกเดือดเนื้อร้อนใจนะ เกับการที่ป่าถูกทําลายเพราะว่าเราอยู่ห่างจากอสภาพปัญหามากแต่พอเราได้มาเห็นด้วยตาได้มาเจอด้วยตัวเนี่ยก็คงจะเห็นเลย้วว่าเนี่ยเาเพียงแค่ว่าต้นไม้มันถูกทาร์งถูกตัด ถ, ถูกทําลายไปก็ทําให้ภูมิอากาศมันแปรเปลี่ยนนี่ขนาดเรายัง เจอแค่แดดร้อนนะจริงๆชาว บ, บ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่แถวนี้เนี่ยก็เจออะไรอีกหลายอยา่างดินที่มันเสื่อมสภาพจนกระทั่งปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นถ้าไม่ใช้ปุ๋ยพอใช้ปุ๋ยมันก็เกิดสารพิษขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลง ให้คนฉีก็ตายผ่อนส่งคนที่อยู่รอบข้างอยู่ในบริเวณนี้ก็ตายผ่อนส่งเหมือนกันสารที่ตกค้างอยู่ในเลือดเดี๋ยวนี้มีพืชตัวใหม่นะก็คือยางยางนี้ก็ใช้สารเคมีเยอะแล้วกระบวนการผลิตยางนี่ก็มีปัญหาเนี่ยเมื่อเช้าท่านเจ้าวาดอาจารย์ประจักษ์ท่านก็มาปรารว่า เวลาทำยางแผ่นเนี่ยมันต้องใช้กรดนะแล้วกรดนี้ก็ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นมากวัดเอยโรงเรียนเลยนะันที่อยู่ใกล้ร้านที่เขาทำยางแผ่นเนี่ยเขาก็หลายคนก็ป่วยหลายคนก็แพ้ก็ไปขอร้องให้ทางาผู้ผลิตนเขานะ เราต้อระวังกดขันหน่อยก็ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนเพราะว่าบางที่มีกลิ่นเมนันอันนี้ก็เป็นว่าปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะที่จริงมันมีมากกว่านั้นมีเยอะทีเดียวโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นที่เกิดมากขึ้นอาหารการกินที่มันแปรเปลี่ยนไปลดน้อยถอยลงแล้วก็ มีสารเคมีมากขึ้นเวลามาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็ลองวิจารณานะว่าเออว่าจะทำให้มันให้มันดีขึ้นมาได้อย่างไรอย่าไปคิดว่ามันทำไม่ได้นะการทำลายปลานี่มันทำลายได้ได้ง่ายใช้เวลาไม่นานแต่แม้การฟื้นฟูจะใช้เวลานา น, านแต่ก็ทำได้มันก็มีตัวอย่างนะที่น่าประทับใจเยอะ อยู่เยอะทีเดียวเขาแผงม้าเนี่ยหลายคนที่ได้ไปเขาเขาแผงมา้าก็คงจะประทับใจนะได้เห็นกระชิงก็จชิงเยอะทีเดียวนะได้เขาเป็นร้อยเลยห้าร้อยตัวเด้มั้งเขาว่าเนี่ยในเขาใหญ่หลายคนยนึกไม่ออกนะว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนี่เขาแผงม้ามันคือเขาหัวโล้นนะฉันมาเคยไปเขาแผงม้าเมื่อปีสามแปด นี่คนพุทธานี่เขาทำโครงการฟื้นฟู ป, ป่าให้กับมูลนิธิมูลนิธิสัตว์ป่าเนี่ยชื่อเต็มจำไม่ได้แล้วตอนที่ไปนี่มันมันก็เรียกว่ามีแต่ญานะตอนนั้นไปประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็นึกไม่ออกเลยขอแพงมานี่จะฟื้นฟูนให้ ป่ากลับมาได้ยังไรคือไม่เราพูดถึงกระทิงนะจะให้กระทิงกลับมาเอาแค่ให้ป่ากลับมาเนี่ก็ยากแล้วแต่วันนี้มันก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วป่าก็กลับคืนมากระถิงก็มาหากินซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งในภาครัฐไผ่กระชนกับชาวบ้านอันนี้มันก็ต้องนนะอาศัยวิชเชนนะอาศัย อาศัยวิสัยทัศน์เลยคือต้องมีต้องมีการมองเห็นการมองเห็นภาพอนาคตที่มันซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรบางทีก็ต้องกล้าคิดนะกล้าคิดแล้วก็ขั้นต่อไปคือกล้าทแล้วพวกเรามาเมื่อมา เดินธรรมยตามาสัมผัสกับธรรมชาตินะที่มันแปลเปลี่ยนไปจากบริเวณที่มันเคยเป็นป่าทึบนะมีสิงสารสัตว์มากมายมีไม้ต้นใหญ่หลายคนโอบน้ำท่าโด่สมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้พอมันตายเปลี่ยนไปก็อย่าไปคิดทอดแท้อทอดถ อ, อยตั้งคําถามกับตัวเองนะควรตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราจะทําให้มันกลับคืนมา อาจจะไม่ถึงกับเ ป, เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันดีกว่าเดิมให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ใหม่อย่าไปคิดว่าหรือไปฟันทงว่ามันจะเสริมลงไปเรื่อยๆนะถ้าคิแบบนี้เราก็ก็เรียกว่าท้อถอยนะต้องกล้าคิดนะไม่เป็นต้องมาทําที่นี่ก็ได้พวกเราหลายคนมาที่นี่แล้วก็อาจจะมาครั้งเดียวแต่ว่าประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะ แ ต, แต่การที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองนะว่าพอไม่มีป่าไม่มีต้นไม้แล้วนี่มันมันร้อนอยังไงมันลําบากอย่างไรที่จริงที่ลําบากและที่เราลำบากก็ยังนับว่าเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับชาวบา้านซึ่งเขาต้องอยู่ที่นี่ชั่วนาตาปีแต่ความลําบากที่เราประสบเนี่ยมันก็ได้ทําให้เราได้ตั้งคําถามว่ารือเกิดความความเกิดไฟนะ สอดใส่ที่ทําให้ปัญหาเนี่ยมันบรรเทาเบาบางคนเราเนี่ยมันต้องต้องบางครั้งคนเราเนี่ยจะจะกล้าคิดได้ก็ต่อเมื่อเราได้เจอปัญหาพอเจอปัญหาก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมันจะดีขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมอย่าเพียงแต่เห็นแล้วก็บน่นเห็นแล้วก็ท้อแท้ให้ตั้งคําถามขึ้นมาในใจเนยเพราะ นักเรียนนะหรือคนรุ่นใหม่อย่าไปยอมจำนนกับสภาพปัญหาเมื่อเราการที่เรากล้าตั้งคำถามเนี่ยมันก็ทำให้เรากล้าคิดนะกล้าสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่คนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็กลายเป็นไปได้ไม่มีหลายอย่างนะที่เคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ส0มสิบปีก่อนนี่จะมาเดินทางด้วยรถทัวร์แล้วก็รถประจำทางบ่อยๆบ่อ ย, อยแล้วก็คนก็คนที่โดยสารนี่หลายคนก็สูบบุหรี่ให้คนที่เดินทางอยู่บนรถทัวร์นะเราก็ต้องเจอคนสูบบุหรี่เนี่ยมันทรมานนะเรก็ต้องไปคอยพูดพูดไปบอกพูดโดยสารแม้กระทั่งโชเฟอร์คนขับรถว่าให้หยุดสูบบุหรี่เขาก็ไม่ยอม บางคนก็อนอกจากไม่ยอมแล้วก็บางทีก็ทะเลาะด้วยก็ถือว่าเขามีเป็นสิทธิ์ของเขาให้ตอนนั้นเนี่ยงคิดคิดยังคิดไม่คิดไม่ถึงเลยนะว่ารถทัวร์ที่มันไม่มีการสูบหรีเนี่ยมันจะเป็นไปนได้อย่างไรนะเพราะมันเป็นกันทั้งประเทศอนะทั้งกลางวันและกลางคืนนะพวกเราคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยนึกภาพไม่ออกแนตะสมัยก่อนเนี่มันมันเป็นงันจริงๆนะ ้มาถึงวันนี้นี่นะการที่รถทัวร์สุโขทัเนี่ยแทบจะเกิดขึ้นน้อยมากคนไม่ยอมและหรือแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยนั่งรถแท็กซี่เนี่ยมันก็ต้องต่อนะต่อคนที่ต่อไม่เป็นก็โดนโดนเรียกโดนโขกนะให้เราก็นึกไม่ออกว่าเมืองไทมันจะมีรถแท็กซี่ติดมิตเตอร์อย่างเมืองนอกได้ยังไง มันยากดูเหมือนยากเหลือเกินนะแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นธรรมดาไปแล้วถ้าคนเก่าๆคนเก่งคนอายุมากๆเนี่ยลองนึกนะหลายจริงหลายอย่างที่เรานึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปในทางที่ดีนะนี่ขนาดเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่จริงเรื่องใหญ่ๆมันก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราได้ลองตั้งคําถามกับตัวเราเอง เมื่อมาเห็นสภาพที่เป็นอยู่ว่ามะทำให้สิ่งแวดล้อมในอเมืองไทยดีขึ้นได้อย่างไรเจาจะฟื้นฟูป่าให้มันเขียวชวยอุ่มได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการบ้านที่อยากจะฝากเอาไว้หรือว่าเป็นการบ้านที่ให้เราได้ลองพิจารณาในระหว่างที่เราเดินนะในช่วงอีก สี่ห้าวันข้างหน้าน ะ, ะครา้นี้ก็ยุติเท่านี้น ะ, ะกลับัาพร้อมกัน